แต่เธอเข้าใจผิดว่าตถาคตเนี่ยที่บอกว่าตถาคตจํากัดความเจริญเนี่ยจริงเพราะว่าวัตตะเนี่ยตถาคตตัดได้แล้วไม่ให้เจริญงอกงามไม่ให้การสืบต่อไปแล้วปฏิสนธิไม่มีแล้วในภพถ้าพูดอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจของตถาคตจะไม่ไปในภพอื่นอย่างนี้นแล้วก็สอนบอกเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นรังของโรค เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกสอนเป็นความลําบากเป็นลุมทันเพลิงนะฉะนั้นถาถามบอกว่าและท่านก็ยกตัวอย่างในชั้นก็อาจจะกรถาท่านยกตัวอย่างนะท่านเออในท่านพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมาคันดยะท่านพูดเองนะตอนที่ตาคตเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่ได้ตัดสู้เป็นพรุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธาตอนนั้นตถาคตมีนางสนมอยู่สี่หมื่นนาง นางสมนางสนมสี่0มื่นนางนี่นะก็คือว่าหนึ่งคนก็เท่ากับเตาเตาเพลิงอะเท่ากับเตาไฟหนึ่งเตาถ้าสี่0มื่นคนก็คือมีเตาไฟอยู่สี่หมื่นเตาตอนนั้นตถาคตเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธิฐานนั้นตถาคตเป็นโรคเรื้อนจะต้องเอานางสนมสี่หมื่นนางซึ่งเป็นเตาไฟสี่หมื่นเตาเนี่ยมาอังมาผิง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 สี่หมื่นเตาอ่ะแต่อยู่ต่อมาตาคาคตรักษาโรคนี้หายแล้วบัมเพนบา ร, รมีมาจะไม่รักษาโรคนี้หายแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้อาาธรรมะที่บริเวณโพธิมณฑลเนี่ยต้นพระศรีมหาโพนที่พระแทนวรชาชรัตนาบัลลังก์ประชุมอาณาธรรมะได้ประชุมบุรีปักษียธรรมได้ขาจัดโรคเรือนนี่ กิเลสในใจขาดสะบั้นเป็นสมุเทเธทบานแล้วตอนนี้สถาคตไม่เป็นโลกแล้วหายจากโลกแล้วถามว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพิงไปอังอยู่แล้วถ้าจะให้กลับไปเป็นโลกอย่างเก่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเท้าส ก, กะตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุนี่เท้าสกาเนี่ยมีเตาอยู่สามโกดครึ่ง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 สมโกดคือหรือส5สบหล้านเต่าทีนี้พอหายโรคเรือนแล้วไม่มีความจาเป็นและอยากจะกลับไปผิงไปอังอีกแล้วนี่ไงกามเข้าใจยังความไม่มีโรคเป็นลาวันเรสเสริฐเข้าใจยังก็คือการไม่มีอะไรไม่มีรู ป, ประคันไม่มีเวทนาขันไม่มีสัญญาสังขารไม่มี วิญญาณขันธ์ฉะนั้นการปรินิพานไงคือการไม่มีโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาวัน เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ่เสยเข้าใจยังความไม่มีโรคก็คืออันนี้นิพานก็คืออันนี้ฉะนั้นพระเจ้านั้นได้อนุปาตาปนิยพานแล้วพระเจ้าหายโรคเด็ดขาดนี่ยแล้วพวกเรายังมีอยู่ไหมเนี่ยโรคอะไรนะั้นเมื่อกี้ว่าโรกอะไรโรคอะไรนะโรคเรือนใช่ไหม เรายังจะต้องกลับไปผิงกันอยู่ไหมเนี่ยทางตาเราต้องอังไหมทางตาหูจมูกเล่นกายใจไอ้ตัวโรพะโทสาโมหนะนี่คือตัวโรคไอ้ตัวหนองนนะ่ะไอ้ที่มันเกิดความอยากความยินดีเพลิดเพลินออกมาแล้วไปทํากิจต่างๆอันนั้นคือหนองมันไหลตอนนี้หนองมันไหลตลอดเวลานะในขณะที่ราคาโทสาโมหะเกิดขึ้นเนะ่ะท่านทั้งหลายเห็นหนองมไหมว่ามันไหลยอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะ นั้นพระบรมศาสดาตอนนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านบอกหันหลังจากโทษเพราะท่านเห็นว่ากรเรวละเนี่ยอัญญาวาหนาคือเป็นต้นตลอดถึงนามคือเวทนาสัญญาสังขารมิยานมันเป็นโทษท่านก็เลยหันหลังแล้วมีความสลดใจเห็นไหมท่านก็สลดใจเป็นเหตุใกล้เอเราคิดอย่างนี้มีความสลดใจไหมอินเนคขมะเนะี่ยเนคขมะบา ร, รมีคือการออกจากกามทั้งหมด เป็นบารมีที่พระโพธิสัตว์ได้ค้นพบเป็นข้อที่สามซึ่งเป็นเหตุให้ได้ศีล ส, สมบัติถึงพร้อมด้วยศีลเนคขม马拉มียยามเห็นโทษในการคลองเรือนเห็นอานิสงส์การออกจากเรือนโดยเนคขมมะถามว่าเนคขมมะเนี่ยคือการบรรพชาในอโภโอกาสในการทําศีลให้บริบูรณ์เนคขมมะเป็นคําว่าเนคขมมะจริงๆเป็นสัพ์สันสะกดนะบาลีเป็นนิกกโมหรือเป็นนิคขมนัง นิก็แปลว่าออกเป็นบทหน้ากมุท่าดในความกนะ้าวเนาะอาปัจจัยก็ลบอุที่สุดธาตุก็เป็นนิกโมหรือนิกมะนิก็เป็นบทหน้ากมะธาตุในความอดทนลงยุ ป, ปัจจัยสันสกฤตเป็นเนคขมมะเลยก็แปลว่าการออกไปการออกไปก็คือเห็นโทษในการคลองเรือนพระโพธิสัตว์ให้สังเกตดูนะว่าหลายภพหลายชาติบําเพ็ญเนคขมมะทำไมชอบใจ ในมหาสุทัศนะชาดกก็ดีในมหาสุทัศนะสูตรนะที่จะกล่าวไว้ในออในนี้ก็มีมหาสุทัศนะท่านบําเพ็ญทานบา ร, รมีนะตอนท่านเป็นเด็กๆนั้นมีอายุแปดหมื่นสี่พันปีคองราชอยู่แปดหมื่นสี่พันปีแล้วบําเพ็ญเนคขมาอยู่แปดหมื่นสี่พันปีโอ้ยท่านให้ทานยิ่งใหญ่มากพอให้ทานเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็บําเพ็ญเนคขมา บำเพ็ญเนคขม้าอยู่แปด0มื่นสี่พันปีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยตอนนั้นนางสุพัถาอถามาสรุปสรุปตรงนี้นะเพราะจริงๆว่าเวลาเราจำกัดออกมาก็เลยย่อใช่ไหมคืออย่างนี้ในตอนนั้นพระบรมศาสดาจะรินิพพานที่กุสีนาราใช่มที่กรุงกุสีนาราพระนระถามว่าบรมศาสดาว่าทำไมจึงต้อง มาปริญในพานที่เมืองเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าเป็นเมืองเล็กน้อยเออเป็นเมืองเล็กน้อยพระนนก็บอกพระเจ้าบอกดูก่อนนะนนท์เธออย่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่เมืองเล็กน้อยเลยว่างั้นเพราะว่าที่กุสินาราเนี่ยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มาก่อนเป็นเมืองที่พระเจ้าพระพระเจ้าจักรพรรดิเคยอุบัติเกิดขึ้นคือมหาสุทัศนาเนี่ยพระเจ้ามหาสุทัศนาเนี่ย เคยอยุบัติเกิดขึ้นมีทั้งช้างแกะมีทั้งขุนพลแก้วใช่ไหมขุนคลัคงแก้วแล้วก็มีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วจักแก้วเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะก็คือเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเนี่ยพระเจ้าจากาักรพรรดินี่จะปกครองทวีปทั้งสี่นะีชมพูทวีปอุตรากุลุทวีปอัปรากโอยานททวีปแล้วก็อุตรากุลุทวีปเออปุภาวิเทหะทวีปแล้วยังทวีปน้อยอีกสองพันเป็นบริวาร น, นะ ในภพ บ, บางภพเนี่ยอย่างเช่นในมันทาตุราชชาดกตอนนั้นพระบริษักรก็เป็นพระเจ้ามันธาตุราชถ้าอนั้นน่ะท่านก็ชี้โทษให้กับพระได้รู้ตอนที่ท่านเป็นพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยท่านไม่ใช่ปกครองทวีปทั้งสี่แล้วทวีปน้อยอีกสองพันไนะท่านยังส่งจักรขึ้นไปแย่งเออยังยังไปปกครองจาตุมหาลาชิกาอีกจากจาตุมหาลาชิกาท่านก็ไม่พออีก ท่านกิเลส ข, ของท่านไม่หยุดใช่ไหมโลภะของท่านไม่หยุดตัวท่านก็ถามท่านก็ถามชาเท้าจ่าตุมว่ามีเมืองที่มันวิจิตพิสดารสวยงามอีกไหมเท้าจ่าตุมบอกมีที่ไหนนู่นไงเท้าสากา่าบอกงั้นท่านก็โยนจักรขึ้นไปท้าลบกับเท้าสากา่าเท้าจักรสาก่าไม่กล้าลบก็เลยบอกขอแบ่งเมืองครึ่งหนึ่งมีการเจราจากั น, นคนละครึง่งในส่วนยิงพระเจ้ามนทาตุราชก็เป็นนั่งอยู่บนนั้นจนท้าสาก่าตายไป36องค์ คิดไปคิดมาบอกโอ้ไม่ไหวแล้วแค่ครึ่งเดียวไม่พอก็เลยจะต้องการอยากจะได้มากแล้วก็เป็นเหตุทําให้กิเลสเผารุานตัวเองแล้วก็ลงมาสวรรคตแล้วก็เหตุเนี้ยท่านก็เอามาเล่าในมัณฑะลุราชาดกเล่าเป็นเหตุให้พระนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในกามนี่แหละเห็นโทษของกามนี่แหละเห็นโทษขอกามะามาคุณเนี่ยแล้วก็ได้บรรลุเลยเนี่ยนะและในเรื่องนี้ก็ในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านก็ดึงเรื่องนี้ไปกล่าวไว้ในควานกุละ คือที่ว่าทา้าท้ามนทาตุราเป็นต้นที่ไปเอาชาวอุตรคกคุรุทวีปมาแล้วก็เลยมีกุรุรัดจนทุกวันเนี่ยที่อยู่ที่อินเดียทุกวันนี้เป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาเทศนาสติปัฏฐานสูตรนี่ไหมเรื่องราวก็เชื่อมโยงกันเยอะแยะทีนี้แต่ท่านในมหาสุทัศนะในในจริยาปีดกก็เล่าไว้ในเรื่องของทานบารมีแต่ในทานบารมีนั้นองค์ความว่ามีศีลบารมีเน่ฆมาด้วย เพราะในบุกนะีแล้วอย่าลืมนะว่าพระโพธิสัตว์นี่นะที่ท่านเล่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยบารมีสิท่านเดินเดินหมดนะไม่ใช่ไม่เดินไม่ใช่โอชาตินี้บําเพ็ญแต่ทานบารมีไม่ใช่ทั้งศีลบารมีเนกขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจทิฏฐานเะมตตาเวขาท่านเดินหมดแหละแต่ว่าอะไรจะเข้มข้นไม่เข้มข้นก็ต่างกันแต่ถ้าในคัมภีจริยาปิดอกนี่นะในเล่มจริยาปิดอกเนี่ยท่านจะกล่าวไว้สาบารมี การเวทนบารมีศีลบารมีเนี่ยขมมะนี่เป็นหลักๆแต่แม้ในสาบารมีนั้นท่านก็ประชุมบารมีไว้ครบอันนี้ามาสรุปไว้ให้อย่างนี้นะสรุปไว้ให้ประเด็นตรงนี้แม้อย่างนั้นก็ประชุมบารมีไว้ให้ครบเลยแต่ถ้าต้องการจะดูปัญญาบารมีก็โน่นไปดูในชาดกนะเวีรยรญาบารมีก็ไปปัญญาบารมีก็ไปดูในในชาดกในที่ต่างๆตางประกอบเรื่อง หรือวิริยะบารมีขันติสัจจะที่ฐานะต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอยู่ตามชาดกต่างๆมีอยู่ในกาีพุทธวงศ์บ้างในอัปทานเบื้ต้นบ้างนะก็ดูในรายละเอียดต่างๆมีเยอะก็ต้องจัดมามามาเป็นเรื่องราวต่างๆทีนี้ในมหาสุทัศนะนี่ตอนนั้นท่านก็อายุมากตอนที่ว่า 84% ดหมื่นสี่พันมันใตอนครองราชอยู่ 84% ดหมพันปีกับนางสุพัททาเทวีซึ่งเป็นนางแก้วเนี่ยนีต่อมาพระ อ, องค์ก็ ออกบําเพ็ญเนคขมะอยู่ปร า, าสาทยืนปร า, าสาทถามว่าก่อนที่จบาเพ็ญเนคขมะท่านคิดเจรณ า, าไงก็คิดแบบนี้เบื่อหน่ายใช่ไหมเพราะลักษณะของเนคขมะบารามีมีอะไรมีการออกจากกามแล้วออกจากภพเนี่ยเป็นลักษณะมีการประกาศโทษประกาศโทษของกามท่านประกาศโทษของกามยังไงอ่านธรรมิจารณาไงดูว่าท่านมีท่านมีปร า, าสาทเดียบแป่นสี่พันปร า, าสาท มีบัรลังแปดหมื่นสี่พันบลังรัตนาก็แปดหมืนสี่พันรัตนานเงี้ยเสวชัดก็ปดหมืนสี่พันอย่างงี้เป็นต้นเน่มีนางสนมกำนันก็แปดหมืนสี่พันก็มีกองทัพช้างกองทัพมา้าพลรถเป็นตัวอะนีอย่างละแปดหมืนสี่พันแล้วก็มีเมืองขึ้นแปดหมืนสี่พันเมืองอาหารแต่ละวันก็แปดหมืนสี่พันสรับผ้าที่ใช้ก็คือแปดหมืนสี่พันกดพับรองเท้าก็เท่านั้นแหละ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 เตียงเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็นิดเดียวนีในเตียงเนี่ยเราคิดดูกับข้าวเนี่ยแปดมื่นสี่พันสำรับกินจริงๆก็สำรับเดียวเอาสินเนี่ยเครื่องประดับทั้งหลายอย่างละ8ปดห0ืนสี่พันอย่างละแปดมื่นสี่พันใช้ทีเดียวครบเนี่ยจะใช้รองเท้าครั้างละแปดหมืรนสี่พันค้างไม่ได้แล้วเสื้อผ้าต่างๆท่านก็พิจารณาก็เห็นโทษออกต่อมาบำเพ็ญนะ พอเบิ่เพินเบรเบ่เพ็นเนกขั ม, มาพอครบตอนนั้นท่านใกล้จะสอนโคตแล้วนางพัฒนาเทวีก็คิดถึงพระเจ้ามหาสุทัศนานางก็เตรียมไพ่พลยกเกาะยกกำลังกองกำลังไปไปเฝ้าเพื่อจะไปเฝ้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เห็นก็เอ็มไม่สมควรก็ให้เอาเตียงบรรทมมาไว้กลางแจ้งพระองค์ก็นอน นางก็มาร้องไห้ร้องไห้ว่าขอให้พระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยผูกใจไว้อย่าด่วนสวรรคตผูกใจไว้กับน่แหละเมืองขึ้นแปดหมื่นสี่พันเมืองอ่แม้กองทัพ8ดม่นอย่างละแปดหมื่นสี่พันอย่างละแปดหมื่นสี่พันรัตนาแดหสี่พันปราสาทดหมื่นสี่พันปรสา 8, 000, ปรสาทเรือนยอดปดหมื่นสี่ันเรือนเตียงจนถึงว่านางสนม8ดมนสี่พันนาง อาหารวันละแปด0มื่นสี่พันสำหรับเป็นต้นให้โผลใจว่ายง้ให้ผูกใจว่า พ, ววพระพธิธศาส์ก็บอกว่าออดูก่อนนะพัท ธ, ธาเทวีเธอพูดไม่ดีเลยคนที่ตายด้วยใจที่อาวรเนี่ยจะไปไม่ดีเนี่ยจะไปทุกข์เตียยให้พูดใหม่บอกว่าข้าแต่พระมหาสุทัศนะพูดจเจริญขอให้พระองค์อย่าได้อารยาวรให้ใช้คำนี้ อย่าได้อาวรเมืองขึ้นแปดหมืนสี่พันเมืองไล่ไปตามลำดับนี้นะร้องไห้ไปก็บูดไปเนี่ยตอนนี้พระโอตฐ์ก็สวัสด์นคตแล้วก็ได้ฌานสมาบัติเกิดเป็นพรมเ น, นี่ยในในนในรายละเอียดมีเยอะนะในในสูตรเนี่ยพุทธเจ้าก็กล่าวบอกว่าเหตุผลก็คือต้องการไปแสดงมหาสุทัศนสูตรที่ในกุศินาราด้ว ให้เห็นว่าจากทานบารมีแล้วก็มาศีลบารมีแล้วก็เนคขมะแล้วก็ปัญญาเป็นต้นก็ไล่ไปตามลำดับนี่เป็นอย่างนี้นี่คือเกี่ยวกับในเรื่องของลัคนาที่จตุกะในเรื่องของเนคขมะบารมีทีนี้ในเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่ศึกษาคําสอนของพทธเจ้าเนี่ยการที่เราจะมาพิจารณาเห็นคุณของพระบรมศาสดาเนี่ย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 พระสัตธรรมอันพระบรมศาสดาพระองค์ใดทรงบรรลุแล้วทรงยังมนุษย์ทั้งเทวดาให้บรรลุด้วยทรงบรรลุถึงฝั่งกาวคือพระนิพพานอันควรยินดีข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมันบุรุแลพระองค์นั้นวานานิคามิโยตมหาวาจังพาสเตอุตตมัง วานานิพาปนาธาาวายามันตังนา ม, ามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงอดทนจากวานะคือตัณหาเครื่องร้อยลักทรงก่าวาจารเลิดแล้วเพื่อประโยชน์แก่การดับไฟคือตัณหาข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระบรมศาสดาผู้มีความเพียรยิ่งพระองค์นั้นอนัสสาสกัส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 อุ่นใจได้ยังไง ร, ราคาก็เต็มใจโทสะโมหะก็เต็มใจใช่ไหมพระชินเจา้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจประทานอรอยิยมรรคประทานปฏิปทาข้อปฏิบัติให้สัตว์ได้รับความอุ่นใจใช่ไหมพระองค์ก็ประทานศทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาบา ร, รมีให้เราท่านทั้งหลายได้มีที่พึ่ง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 มหากรุณาสมาปฏิญาณของพระ อ, องค์ก็ยิ่งมากมาใช่ไหมอาสาธานัญาณหกพุทธญาณ14บีเวนีกรทำสิเป็นต้นพระ อ, องค์เป็นผู้ถึงความได้พระคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมพระชินอาชาพระ อ, องค์นั้นผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์คือบรรลุบรมธรรมแล้วระนิมาจะาคำว่าราโตนิพาณสัมปเตราโตโยสัตมโมจนเน รัมมาเปตีทัสะเตโยรัตตนา จ, จตังนมามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วในพระนิพพานสมบัติพระองค์ใดทรงยินดีแล้วอันปลดเปลื้องสัตว์ออกจากชาติทุกขชรลาทุกปยาทุทกมรณะทุกข์พระองค์ใดยังสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้ยินดีในการเปลื้องตนออกจากชาติทุกข์เหล่านั้นด้วย ข้าพเจ้ า, าขอนอบน้อมพระพระมาศาสดาผู้สละฆ่าศึกคือกิเลสได้แล้วพระองค์นั้นส่วนคำว่าหังนะมาจากคำว่าหันยาติปาปะเกดาม ห, หังสาเปติปรังชางหังสมานังมหาวิรังหันตะปาปังนามามิหัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงกำจัดธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปประรร ม, มีราคาเป็นต้นยังชนทั้งหลายให้ร่าเริงในธรรมที่เป็นกุศลในชั้นอรธรรมเป็นต้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระทัยร่าเริงก้าหารยิ่งใหญ่ทรงกำจัดบาปประ ร, รมทั้งหลายได้แล้วพระองค์นั้นส่วนคำว่าสำเนี่ยมาจากคำว่าสังคตาสังคเตดมเม สัมมาเด เ, เสสิปานินางสังสารังสังวิคาเตตีสมบุตรดันตังนา ม, ามีหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมที่เป็นสังคตะคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งกรรมจิตตัวหารและทั้งที่เป็นอสังคตะคือพระนิพพานที่ไม่มีปัจจัยประชุมปรุงแต่ง ทั้งหลายอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงทรงพิฆาตสังสารวัตคือขันธ า, าตุอายตนะให้หมดสิน้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระบรมศาสดาพระองค์นั้นพุทธัสรู้ได้พระองค์องงเอ ง, อ ง, ง, เองด้วยเสียงก้าฟส่วนคำ ว, ว่ามาเนี่ยอรหังสมัมมามามาตาวะปาริโตสเตมานาทัทเทปะมัดิโต มานิโตเดวะสังคาหีมานาคาตั้งนา ม, ามิหังพระผู้เมียพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายดังมารดาถนอมบุตรพระพุทธเจ้าเนี่ยถนอมพวกเรานะทรงปลอบโยนในยามที่เรามีทุกข์เราเดือดร้อนนะ ทรงช่วยเราเมื่อเราหล่มนะีพยายามจะดึงตอนนี้เราท่านทั้งหลายกําลังติดอยู่ในหล่มในโคลนตมของชาติในชราพยาธิพระบรมศ า, ศาสดาก็ใช้เชือกคือพระสัตธรรมในนโยนมาให้เราจับเชือกแล้วเราจะได้พระองค์ก็ดึงกระตกเราให้ขึ้นจากล่มจากโคลนตมอมเหือ น, นั้นฉะนั้นพระบรมศาสด า, สดาเนี่ยทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายดังมารดาถนอมบุตร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 ก็แปลว่าพระองค์ได้ทรงกำลาบเสียซึ่งคนกระด้างเยื่อยิงพระองค์ได้หมู่เทวดานับถือแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าพระบรมศาสด า, า, าพระองค์นั้นด้วยเสียนก้าวส่วนคว่าสัมพุท ธ, ธโธนี่ก็มาจาคำว่าสัมนี่นะสัญเจยังปารมิงสัมมาสัญจิตวาสุขมัตตโนสังคารังขยังดิสวา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 มาจะคำว่าพุทธิตวาจตุสัจานีพุทธชาเปติมหาชนังพุทธชาเป็นตังสิวัางมาคังพุทธเศษทังนา ม, ามิหังพระบรมศาสดาตรัสรู้สัจจะทั้งสี่แล้วก็ยังหมาชนให้ตรัสรู้ตามด้วย ข้าพเจ้าก็ขอนอบน้อมพระบรมศา ส, สดาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงช่วยสัตว์ให้รู้ทางดำเนินไปสู่พระนิพพานจรัสามพุทธและก็โทคำว่าโทนี่เป็นคาถาที่สิบห้าโทติราเคจดเซจา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 ข้าพเจ้าก็ขอนอบน้อมพระบระมาศ า, าสดาซึ่งมีบุญมากมีกิเลส อ, อาสวะอันล้างแล้วพระองค์นั้นโดยเสียงกรา